เทศอบรมพระเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนม ก, กราคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนี่พูดงานของพระคือข้อวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาไม่เอาธรรมออกหน้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรการฉันของพระต้องสวยงามตามพระวินัยอย่าเอานิสัยของครวาส มาใช้ในวงของพระกรรมฐานท่านชอบฉันมือข้างเดียวถ้าจำเป็นจะใช้สองมือก็ให้ทำอยู่ภายในบาทอย่ายกขึ้นมานอกบาทสมัยนี้มนุษย์เรากำลังเฟอฆ่ากันง่ายยิ่งกว่าผักปลาความให้อภัยกันไม่มีเพราะกิเลสไม่เคยให้อภัยใครมาแต่การไหนๆคนที่เฟอ ก็เพราะกิเลสทำให้เฝอคนที่โลภมากโกรธมากราคะตัณหามากคือผู้รับเหมากองทุกทั้งมวลนั่นแหละจะเอาความสุขมาจากไหนความสิ้นกิเลสคือความสิ้นทุกข์นี่เทศถึงที่สุดนี้ดีสม่ำเสมอปลุกใจดีที่เทศยาวฟังอัดได้ทั่วไป อข้อวัดปฏิบัตินั่นลจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติมเหมือนจิตของคารวาสเขาคารวาสมีร้อยแปดพันประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่ตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยห ม, มากจนเหลือกำลัง แต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้ถ้าพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีสาวใครจะปฏิบัติให้ได้ขอวัดปฏิบัติบวดเขามาเอาความมาักง่ายออกหน้าออกตามอันก็ไม่ได้่องอะไรถ้าเอาทมออกหน้าแล้ว มันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีมากประจันตนเหลือซ้อายมองขวามีสติสตงังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควร เก็บบุคคลหรือหักฐานที่เช่ไนไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดรลาดแม้ผิดด้วยความผิดีิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี่เกียจที้แค่ี่ร้านออกหน้าความบ่นแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิเลง กิยาาการแสดงออกมาจริงมักถึมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกาการขบการขันพระขบขันตังหันอะไรต้องสวยงามตามเจตโยวาทท่านบอกไปแล้ว ไม่สนใจก็ปราบอิเ น, นี่กินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราธรรมาโทษก็คือไม่มีสติสังนะายยัดระวางสิ่งที่ผิดหรือถูกการใดไม่รู้ซูมสีู่มห้า ทุกหนึ่งความสวยงามทางมายากความเคลื่อนไหวเป็นมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระชี่ได้หลักการประพุทธมาจากหลักธรรมนิยมในของพระบริจากจึงเป็นผู้ละเอียกอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นาพาแล้วกับพระน่าเกลียดที่สุดว่าจะกลัวทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเชียอย่ง น, นี้ มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วๆไปพระเป็นผู้รักษานด้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายใ น, นไม่เหมือนคารวาตเขาถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจด้วย ถันมีสติแล้วกิยามรยาการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้สแสดงออกทงางเมตยาคำพูดคำกล่าห์ความถันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดู มันเป็นนิสัยแล้วมันแก้ ย, ยากนะนิสัยมั่ง่ายนิสัยมุมมารตะกะ้ตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัด้อยแต่ต้นแก้ยากแต่ น, นิสัยแล้วเลยไม่สนใจนเลอะเทอะไปหมดไปแต่ทั้นสถานที่ใดก็กาลังเกลียดเพาให้หน้ามุมการขกชัน มันทั้งติดแล้วเบียดทางการปกปักรองพานี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้รลเบียดวิ น, นัยเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้อย่างไรเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้เป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลส ธรรมของหลุงพ่เจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรมมรมเลื่องธรรมมาฝิกมาพุหัดตนนะมันเป็จะน่าดูการฉันของหมอจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุ่ยเห็นวะ่ะอืมอื ม, อ ม, อมนี่แสงเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้ว ที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดยิมาช้ามันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมดูในว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นน่อันนั้นเป็นนิสัยของฆราวาสอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยขอฆราวาสมาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมดีในผู้ศึกษาธรรมดีในจริงๆ น, น่าดู กขบการเชียกมันไม่มันดังเสียงกว่วมข้างกว่วมข้างคนอื่นฟังจนลำคานหูแต่ปากกับหูแล้วะคอสะแขงมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพรารสอาหารมันเหยียบย่ทำทําลายหมดสลบสไลด์ไปไม่ได้ยินเสียงขบเชียกจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันดำคานเหล่านี้ การขันในบาตไม่เหมือนขันสำลับไปทําแบบสำรับมันไม่ได้ส่วนมากขันนิยมถันมือเดียวตั้งแท่ากอาจาร์มั่นเป็นหลักสาคัญขันมือเดียวถ้าอันใดที่การเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรแล้วยกขึ้นมาข้างนอกเป็น มวนผักอะไรเหลนี้ จ, าจมามวนมวนม้วนนียุ่อยู่ข้งนข้าขงบนบาขายทีของมีอะไรกันเขาเห็นโมอะไรใส่ในปากไปเขาเห็นโมวงอเพราะความเศร้าความเลินนิโรธไม่มีสติมีอะไรหยอเปย่า เวลาจะชันยกขึ้นมาเขาเห็นเหมะซึ่งเป็นดีจิตยาไม่ดีเห็นเห็นที่เถืนคนช่วยเห็นที่น่าเกลียดหน้าเอืองหน้าอา่างอันนี้เราเคยสอนคาเสมอ น, นั่นชดซ้ายชดขวาเห็นแบบ ลินแฉะป่ากหินแฉ่รถแฉะชาไม่เห็นแฉะทำนึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวเท่านั้นต้องการความอ ร, อร่อยของรถอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของทำนั้นรถอาหารก็เหยียบย่ำาทำลายธรรมขนาดที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นคาบิดตัวธรรมตลอเวลา เป็นค่าสิตต่อวินยยัยยุทธรามนี่หละหาความดีไม่ได้ครา้งนั้มีแค่นั้นหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยทีอ่อาการนีาาร่มามากขออมากขออข้าเข้ากปบกังมากกังหมาเกเลอะเทอะนะสัมสมามันเป็นได้ ไม่ว่าอะไรจะมากเงินเฟอ้อเป็นเงินเฟอ้อเป็นต้นไม่น้าดูาทุกวันนี้มนุษย์เฟอ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักขับปลาดูสิไม่มีมระคำราคาอะไรจิตใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วจิตใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟอ้อ ผิตใจก็นำบวันโหดร้ายเป็นตัวนเพราะไม่มีคำเขาแทรกสินใจข้าผู้อื่นนี่ถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไม่หนะกนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้น แต่จะทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดี น, นี่มันตรงนันข้ามเรงลียดกับธรรมเรื่อยดถ้าได้สังหารได้ทำลายใครถูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาพ ไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความสุขมภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเมือภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ดีและฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นด้าของเขาของเราชีวิตของเขาของเราเราแข็ น, นั่นให้แผ่เมตตาจิตจ้บรรณาสัตว์ ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใคร ย, ยิ่งหยอดกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่าเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรอะไรจะละเอียดยิด่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดทำใจองหัวแท้ชาลุ่ความโลภก่อมากน้ำวันมาก็นทุกข์ท่ มา ก, กนทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นเรืโอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวั น, วนความโกรธก็มากราคาตัณหาก็ครอบคลุมความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากเดยของไม่เป็นท่ามากเดยของโปกตก มากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากด้วยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูที่ถ้าทำของอุริยเจ้ากลับไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธ เพราะความดึงเนื้อดึนตัวเพราะราคาปัญหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนห็นจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าตล่อยให้สิ่งอย่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับอันชาามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประการดีีเผามนุษย์เราผู้ส่งเสริมมันมันก็เหยียบย่ำมล ง, มงไปจิตใจของนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้น ทำพยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความตรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสจะแฝกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายใ น, ในใจิตใจได้เนี่ยละความทุกขเช่นเดียวกับภาระวะเขานี่คือารจึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลส เปนโกทางคัดตาวาสุกคังเสด็จเป็นต้นค้าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุดนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่นเหคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะทันหามากคนลืมเนื้อดุมตัวมากคือผูรับเหมาทุกนั่นเองทุกไมีใครรับเหมาอกหมดผมหาความสุขไม่ม เราอยากเข้าใจว่าคนเงินเป็นร้านน้ํำจะมีความสุขอยาเข้าใจว่าพวกเศรษฐีเป็นุีดูมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปลุกครองจิตใจและปลกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะ ก, กลายมาเป็นฟืงไฟเผาเจ้ของไม่ทั้งเป็นนั่นเอมเป็นฟืนเป็นไฟภ า, ายในจิตใจมันมีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงใ น, น โทษและคุณของสิ่งหนุนนี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านเห็ น, นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงหนึ่งสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาทรับข้าวบัตเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอ ย, ย อ, ยลอยู่ด้วยสิ่งตรงนี้ธาตุขันเราอยู่ด้วยสิ่งตรงนี้จะขอให้รู้จับ ความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการเสือหาเนี้ยเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมา ย, ยังกีบของตนให้ถูกทางอยากให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการเสือหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้น ปีนแหวนแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนเรจะหาความจุกยังไงเจอเราหาที่ทั่วทั้งโลกเหมืนอนโลกอันนี้มิตรดูนี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนกักี่ล้านรวมมันเข้าทั้งหมดเราพิจาที่ว่าใครจะมีความสุข จะไม่เจออยากจะพู ด, ดวันแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมมนมีธรรมเป็นเครื่องปฏิบูรองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกคนจนคนมีคนเท่าไร้วนแน่วแต่แบบทุกเพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้น ผู้ปฏิบัติทมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับคงข้างความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจังทุกขังหน้าตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้ไมีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้ใหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าสิกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบทำนงมาเป็นความสุข แต่พออย่างยิ่งครับนับปฏิบัติเรานี้ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจําเป็นเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วๆไปความจําเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใด พระพุทธเจ้าพระทรงสั่งสอนไว่หมดแล้วธรามเนี่ีเกียจอ่อนแอเชื้อยอย่างยู่ที่เหินแต่แจ่กิเลสมากกว่าหินจะทําต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นไม่เก็นมาสมาธิก็ไม่สราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดตากติดคอ องค์คสมาีิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตอ น, นได้แม้ทั่วขนาดเลยอย่างนี้ใช่ามาได้หรือแบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้เต็หัวใจวิริยไม่ลดน้อยลงแม่นิดหนึ่งมีหลักซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจการปฏิบัติธรรมต่างหาก เมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราก็คือการเดินกลมนั่งสมาธิถอนมีสติสตางสติสัมปัชัญญยะแนบตับตัวสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกิริ้ ง, งกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้ว ต้องทราบเครื่องอารมณนน์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูก ป, ประกันไปจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสทื่รวมเป็นเครื่องส่งเสริมถังมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกําลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องผลิตสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจ มัตตาวางรักษาจนมีกาลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าศีกเมตสิคอยควบคุมตายอยู่เสมอมอนก็เหมือนกับเราไปเล้ยงวัวเล้ยงควายหรืารท่องไล่ท่องนานั่นเอต้องการจะไล่เขอเเมื่อไหร่ก็ไล่มาไล่ ให้เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันวิเชียต้อมที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่รามไปที่ไหนแห่งหุ่นตำบลไปไม่ผิดการที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากฟอกปล่อยสัตว์ทานนะออกจากฟอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามมันำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีตัวพราไปกินจนเงียบกว่าน กิจที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบคงง<ม>่านเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะสะเสียหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่ทำให้สงบก็สงบได้ มาสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราอจําได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจิตคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่งสงบที่จิตสมาธิแค่อยู่ที่จิตความจําแค่อยู่ที่สัญญาสมาธิแท่อยู่ที่จิต ปัญญาก็พิจารณาเยอะๆดูภายนอกภายใ น, นมันเป็นไปด้วยของปฏิกูลโศโลกยังทุกข์ขังหนาตามแบบแต่ก็ครุบ ก, กันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารนาดูทุกไม่เจอทุกไม่รู้ทุกตามความจริงของมันตามปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนนะมันต้องรู้มันมากกว่าน้อย การเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพ ก, กี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาอย่างนันทำให้เบื่อหน่ายเนความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะําหนิติเยี่ยนทุกข์ไม่ควรจะบนจะของว่าเป็นทุกข์ ทีนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิทีไหนต่อเป็นความชื่ของเราเป <c oughs> ัญญากาจำได้แต่ย่ในกำรับปัญลาซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้น แต่ปัญญาในตัวเราไม่มโง่เหมือนควายหนักจำได้หมดในตำลับตำลาปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่นแต่ตัวผู้จานี่โง่เหมือนควายจะว่าความความโง่นะั้นมันจะแย่กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไอะไรจะแหลมคมยิ่งกวกกิเลสเพอาะว่ากิเลสมันต่าําแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันยากแต่มันอยู่บน หัวใจที่ละเอียดละเอียดได้น่ะบางงา่ายนลักพิเศษมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้อยากมันดูได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทําเลซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงทำแต่ชื่อแต่นามของกิเลศษทำแต่ชื่อแต่นามของธรรม สมาธิปัญญาลิมุตลิมุติญาทัศนคข้าวจ้าวกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภะ ม, มูลโทสะมูลโมหามูลกิเลสพันห้าปัญ ห, หาแไปดจำได้ทั้งหมมันร้อยแปดที่เนีมันร้อยมันร้อยปลอดคนนะกิเลส หนึรยปอดมันไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจจาชื่อมันจำคำลางมันจะเป็นหนังทะเลอกอะไรกิเลดมันก็ น, นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อมันมันมาแตะต้องกิเลามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังทะเลอะมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนที่เกียรติอยู่คนอ่อนแที่เลสอยู่สบาย อยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขายันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาให้ครเสมอเฉลียดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องบอกนั่นซ่อนนอี่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดพันไปแล้วเพรานฉนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดี เพื่อให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วที่เหลืมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นมีสายสตปัญญายไปได้เลยจะต้องขาดก็เดินไปหมดไม่มนะีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสาคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสภาวิยะอัว น, นี้เป็นเครื่องสนับสนุน มาที่ก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็จะบังคับจิตให้งสงบไม่ได้จะมีทำบุตรายบางบุรีกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบุรีกรรมอยู่เตงมเต็มมือถือความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจกักรวาลนั่นก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทางานก็เป็นงานเป็นการและเป็น ผมปรากฏขึ <c oughs> <St ere> ้นมาปัญญาปัญญาจังนรมีใชปัญญาเป็นยังไงมิชอบแสรกึกซับด้วยอุบายมิสัยของเถินลลายอะลาอ้เพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญาน กว้างขวางมากนะเจ้าที่นี่เคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยน้อยสัมพัน 100, คมเวลาปัญญาได้สแสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปรเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปล ง, ปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เรื่องคนเนี่ยไหปัญญาพลิกกันทันทันทันเมื่อทันมาแล้วมันก็หมอกนี่เนี่ยออกจนหมอบแล้วก็ขาดลงไปขาดลงไป เรื่องสติมันตามมันไปเลยพันลงถึงขั้นปัญญาตโนมาแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยมันพร้อมมันพร้อมันไม่แยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วเรื่องขอปัญญาตโนมาที่แรกมันก็เป็นสติเรืล้มลุกครานไปแล้วก่อนแต่ถึงเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝืนขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรม ปัญญาเป็นสิ่งพิ u l a t o ให้มีกําลังแก่กรา่าสามารถได้โดยไม่สงสัยและขิเหร่หลุดลอไปจากใจได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาแต่ตาความเพียรนี้โดยไม่ต้องใส่เงินกันขอใมีความเพียรเกิดการเกิดตายนี่นน่าเอื่อมลาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาตั้เท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ เร่ร่อนเสือหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความถูกเมื่อเจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะอยว่หาช่องไม่ได้เพราที่มีความถุกความสบายอ น, นี้การเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นรูกข้างนาฏิอาชาตัสสะลูกข้าชาติปุนณุนังเกิด บ, บ่อยเป็นทุกข์ไม่หยุด คั่งนาทีอาชาตัสัตผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีทุกทุกไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นล่างเป็นภาชนะสมัครรับทุกทุกจะไปตกคัง่งได้ยังไงจ ะ, ะแทรกถินได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมื อ, อนโยนโยนของออกไปอากาศไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินดินกายเป็นภาชนะ ว่าใส่สติใส่ปัญญาตามนี้ใส่เราพยายามฝึกัดค้นคนิดซอกแซก ด, ด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาเกิดแก เวลาปัญญาออกเดินออกทําหน้าที่จะเข้าใจเป็นเป็นวัดเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิสมาธิมีแต่ความสงบสงบเนี่ยลงไปเต็มที่องสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นให้เคยเปลี่ยนเลยสมาธิทำ น, า, นางจริงไม่ใช่คุยนันพารามันก็มาฝึกเป็นสมาธิเต็มปีถึงห้าปีมไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญา มันเข้าใจว่าความยู่งนี้เองจะเป็นนิพานของเลยเอาหมายว่าเอาไม้ไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้อเอาจิตที่เต็มเพื่อยิเรื่ันหาวิชามาเป็นนิพานนะเี่ยเพราะไม่ได้พี่ค ล, ย า, า, ลยายม่ไถากไม่ถางไม่ได้เจรไนสิ่งที่จอมกรอทั้งหลายออกให้ มีแต่จิตล้ ว, ๆวนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้ก็เมื่อจิตไดคุ้มคว้าลงไปนโอ๊ยมันเกี่ยวโยงกันไปเหมดอดเฮ้อเรามีแต่จิตชนิดนี้เราจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงมันอยู่กับแงนั้นมั่งไม่สนใจตัด นี่แต่จะดึงให้ลงข้าเดียวมันไม่ลงนี่คุณวุปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงไหนบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันจริงนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตูงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทํำมาจะไม่ลงตูงลงถึงดินเลยจ้ะผิดก็เหมือนกันคําว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมอคติเลตไว้ทั้งหมด ตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนนั่งกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันตั้งห้ารูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหบลบะเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างมันก็มีอุปทานแบบสมาธิ<ม>ผิดกับอุปทาน ท, ทั่วไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแตจิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละแตเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดออคนควา จนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจีดมันต่อยรูปกายอนี้ถึงรู้โอ้โหมันแค่ร้อนอย่างนี้รูปจิตท่านกี่ท่านก็นไม่รู้นี่เราต้องได้เห็นคุณค่าของปัญญา อแยกมาแยกไล่ี่เล่มันฝังจมนันออกไปถึงไม่รู้เวทนาปัญญาเป็นขันธ์วญญาเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยกได้เกณฑ์สมาธิแยกแยกไม่ได้เกณฑนั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนกัมาความทุกข์ทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นมาทีแยกเกณฑ์สมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นไม่ถไม่มีทางไปอ้าวทุกขนาดไหนกราที่ไมยรู้จิตมันค้นคว้าขอ ง, งมันไม่หยุดเลยถอยเหมือนกับกลางหันที่เจอยู่เป็นธรมนรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในรา่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดคนด้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงหมัน เราจะทนทุกข์เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่แข็งมากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งเห็จริงเนี่หนึ่ง<ม>ทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรอยู่สองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจีไม่กระทบกันแม้จะทุกขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายๆเชาะไม่เข้าถึงกันนะปัญญาตังขาดุจยาง มันก็นมารวมอีกอันนี้นะปัญญาความหมายนั้นหมายมันก็นรวมพิ่นายอะไรเนี้ยอะก็ตามเรื่องขันห้า น, น, นมันจะเสียโยงถึงกันไปหมดปัญญามันสอดแทรกเข้าไปเข้าใจไปเข้าใจเข้าไ ป, ไปจนกรทั่งดูจิตรุนร้วนนั้นเอบแก้ก่างนี้ไปแล้วมันยิ่งรร้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทลมัน ยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งฝองสายยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่แม้ฉะ น, น, นั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นเป็นกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแบบปรปลอมมันละเอียดนั้นมันถึง จ, จะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มพูมจิตแท้เป็นอย่างไร อ, อ๋อจิตแทบเป็นอย่างนี้เอออ๋อจิตแคบเป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้นะท่านตั้งชื่อนิพานเป็นยังไงเออความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็นเป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่ปราณแท้คืออันนี้แนะไม่สงสัยไม่เคยรู้ไปเห็นมาแต่ก่อนเปียงลายก่อนตามพอเข้า พบกันอย่างจังๆนั้นไม่มีหางสงสัยพราะฉันทิฏฐิโกฉันทิฏิโกมีหมายถึงว่าฉันทิฏิโกเต็มพูนฉันทิฏฐิโกโดยสมบูรณเป็นฉันทิโกมาโดยลําดับลําดับนั้นก็ยกให้ทร า, าบผี่เป็นสมาธิกว็ทราบ คิดพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับลำดับข้อทราบทราบมาเป็นลำดับคิดมีความละเอียดออนขนาดไหนก็ทราบเป็นสัมพัธิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสัมพัธิโกเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดคมหาสีมหาธรรมญาหมดหน้าที่ไป ผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่คาขัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านไม่กระุ้นไปแต่เพราะคําว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคําว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมตุติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมุติทฐา น, นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสขึ้นเป็นสมมติด้วยกัน เป็นสมุติทั้งฝ่ายมากเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยมาถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยที่เชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ควาหมดหน้าที่ไปแม่เรียกว่าดําเนินมาแม่เรียกว่าใชา้จิตปัญญากแก่กิเลยเสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาวสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะใ่้ทางกดช้าแก่กองนี่อะไรอะไรสติเวญาจะตั้ง รับของเรื่องอะไรทั้งก็ตั้งเสยอะไม่ตั้งเป็นความรู้สึก ธ, ธรรมดาเท่านั้นมีเท่านั้นอาจจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนเราเสือที่ตายแล้วนะ่ะเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลางมันยังมสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของอเสือนั่นแหละ มีครบโดยอมบูรเป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นตายแล้ว จ, จิตแล้วเป็นเสียตาแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าเหรมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำมันรายไม่ได้ความกล้าของหลานกินไม่มีความกลัวกินไม่ คำว่ามีสติหรืไม่มีสติก้ อ, อนั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติซึ่งเป็นเรื่องของข ม, มูลยุ่งทำมาเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่างมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้าเฉพาะการเท่านั้นนอกจาก ท่านมีเหตุเช่นเกิอดอติกรณ์เขาฟ้องร้องว่าท่านเป็ น, น, น, น, นอย่างนั้นอย่างนี้มันบริเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติญี่ปุนละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้งองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติญี่ปุนละคือสติพัยบุญก็สติท่านวางสิท่นานความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันพยบุญ ความบริสุทิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติปฏิกิริยาท้งปวัวการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของวิมุติมันเข้ากันมาได้กับวิมุตของท่านปู้ในหนาว่านั้นจิตนั้นเป็นวิมุตแล้วเราฟ้องปัหาให้เป็นประโยชน์อะไรข้างปฏิกริริยาต้องมีปฏิจจาวินันสมัยทก่ันนี้ไ ม, ม่มีเป็นสติวินัยหลั้น กล่าวว่าในหลักธรรมดาวก็อาชี่ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมมาสดๆร้อนๆกิเลสก็สดจนร้อนๆ อ, อยู่กับเล๋าตัวนี้ออื ม, มันลากสมไหนไปที่ไหนกิเลสมั้นความโลภ ก, ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงว่าเป็นกิเลสอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนจะอะไรมามันลาดไปไหนมันดูด แล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล่าที่ไหนที่นี่ีสมาธิปัญญาสรุปความลงคือว่ามัดแตกด้วยมัชุมมาปฏิปทาล่าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชุมมาปฏิปทานทิพายไปจากใจจากพระไทยพรรุ่งอริยสาวกทั้งหลายด้วยมัชุมมาปฏิปทานี้ทั้งมแล้วมัดชุมาปฏิปทานนี้ทำไมจะล่าสมัยแก้กิเลสไม่ได้ เมื่อคิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแยกกันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความรู้สึกไม่ได้คำ ว, ว่าสว่าครับตัวพระกตาธรรมูธรรมที่พระเจ้าแผดไม่ชอบแล้วหนักหนินไม่รับนับรองนะปนิญาณี่กับทำนาผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกประดเดิมดับจนพ้นจากทุกโดยเด็ดขาด การนนทูลถามพระเจ้าท่านพระงค์เพระานุโนฉลาดใมพราะว่านุโงถามนันไม่ได้นะถ้านนฉลาดมากเป็นรูปายวิธียันทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิาิที่ท่านเจริในตลาดกำลาดพาเมื่อพระองค์รปนิพพานแล้วนานแเท่าไรเมื่อผลนิพพานมันจะหมดจ็สิ้นไปนั่นทำไมนุ่นทูลถามนุ่งงนี่ล่ะนะ ทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัจจิมาปฏิบทาิธรรมมัจแปดนี่เราทาพุสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมาผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในมัจจิมาปฏิบัตนอยู่แล้ว ม, มาผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลก อ, อนุหนิแต่ถ้าไม่มีผู้สนใจ ปฏิบัตินี้แม้ขนาดนี้ก็ไม่มีมะขุนที่ผ่านเกิดเกิดผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึกงการหน้าการหลังเลือมเพราะที่เดียบันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่ขึ้นหนักคิดตรงนี้คิด โอ้ถวงรวมมาแล้วเอ้าอนจารย์ยาจะบายหน่อยค่อยๆควร